เกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดอยากเพราะมีเป็นผู้เสียสละอเนกสงสานไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความอุดรมสมบูรณ์เพราะอนกสงสานทําอะไรทาํามาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรือ ง, เ, องเพราะอนกสงสารทําบุญทําทานนะครับผม เ, เศรษฐีหนุ่มคนนั้นตั้งอกตั้งใจทําทานเลยโอ้รู้สึกแบบเอิบอิ่ม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 เออพอมันจิตใจมันคิดว่าเวอ้าว่งห่งง่อมเหงาเหยียบเหงาเออซึมเศร้าขึ้นมาเลยก็นีน่แหละอาศัยพึ่งโทรศัพท์อย่างนั้นกับโทรศัพท์ถึงใครต่อใครแล้วแต่แต่ว่าถึงใครต่อใครก็ไม่เป็นไรแต่ถึงที่ว่าภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต้องสังขารที่เศษเนียอันนี้ก็คือเป็นอปาติที่ร้ายแรงนะรองจากโทษประหารลงมาเลยที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 อปวดเข้ามายังไม่เท่าไหร่พอสอนวินัยให้ตอนนั้นอยากจะศึกทีนี่ออาจารย์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอีกเหมือนกันเอจะว่าเขาหักหน้าก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาฟังดูแล้วเนี่ย เ, เ, เขาทําไม่ได้เขาท้อเพอวินัยละเอียดอาจารย์ก็บอก อ, อันนี้วินัยเนี่ยไม่ใช่ของอัตมานะ ว, วินัยเนี่ยเป็นของของพระพุทธเจา้าเอาท ถ, ถ้าว่าคนที่เข้ามาบวชอย่างเนี้ย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 กุฏิเราไหมเราต้องศึกษาต้องดูอันนี้คือความปลอดภัยของตัวเองทั้งหมดถ้าหากว่าดูแลเออถ้าเสียงอู่อูมาเนี่ยลมมาแล้วนี่ยพายุมาแล้วเนี่ย เ, ออเดือนเนี่ยนะเดือนมีนามเมษาพฤศภาเนี่ยนะเออมื่อวานบังกอง ก, ก็ได้ยินเลยถลมทางมุกดาหารหมดไปตั้งสองสามร้อยหลังคาแล้วก็นะได้ยินที่นั่นที่นี่บ่อย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 ในหลวงพ่อไปอยู่นัชสถานเนี่ยหลวงพ่อจะแนะนําไม่ใช่จะอยู่นัชสถานที่นี่แห่งเดียวนะเราไปอยู่นัสถานที่อื่นก็เหมือนกันถ้ามีลมอะไรขึ้นมานะเราจะหลบอย่างไรเราจะหลบอยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่ใกล้สะพานเราลงไปอยู่ใต้ถุนสะพานเลยเนั่นแหละปลอดภัยนะทางว่าอยู่ในถ้ามีรถวิ่งรถไปอยู่นะั้นลงไปที่เปียวๆในที่โลง่ลงๆนะจอดรถแล้วกันนะ อยู่ในอยู่ในรถเลยอย่าไปอยู่ใต้อยู่ไปอยู่ในที่เนินถ น, นนเกินไปก็ไม่ได้ลมอุ่มรถเหมือนกันนะเพราะนั้นต้องรู้จักที่หลบที่หลีกอันนี้คือท ร, รมชาตินะแต่ถึงยังไงเราจะหลบยังไงก็หลบได้นะท ร, รมชาติพอหลบได้อยู่นะแต่มรณะภัยความตายเนี่ยหลบอยู่ที่ไหนก็าไม่พ้นนะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะมีทางเดียวจะให้ภาวนา ให้พ้นทุกเนะืวัตตะสงสารไม่มาเวียนไหวตายเกิดนั่นนะ่ะ ห, หนีมรณะภัยหนีได้แต่นอกนั้นนะหนีไม่ได้หนีธรรมชาติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแผ่นดินไหวพายุถลมนะ่มเลยน้ำท่วมเลยพ่อหนีไหวเถ่นะแต่หนีความตายพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันหนีความตายนีที่ไหนหนีไปยังไงก็ไม่พ้นมีแต่เอาคุณงามความดีนะั่นสู้นะพระพุทธเจ้าพาสู้ด้วยคุณงามความดีชาระใจไม่ให